50 languages. Seventeen. h น d i n e e l o Rabban. m a n บ y เมเล็ชาวนิห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างเข拉กะเด็นลมาลีเกดมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านมนยหินเดวันดูโตตออิดไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านมนยเหยดุรูรัสตีอิละมีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน มัเองอักกัมาละกันเลยเว้ยอพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่อิลินำมามานอเดห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่อิ๋ลี่อดีเมนเมัตตุบัจลุมนองอีเวห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่อิลิ ห้าร้อยมัตตุมาลากุวะโคเนอประตูบ้านปิดมานียะมุนดีน่าบากิลูฮักแต่หน้าต่างเปิดอาคิทิกดววันนี้อากาศร้อนอินดู เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นนาวูฮจารักเกโฮกุติเดเวมีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นอัลลิโซฟามัตตูอารามกุชีอีเวเชิญ น, นั่งค่ะได้ยบิปตูคุลิตุคลีคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น อิ๋นลีนั่นนคอมพิวเตอร์อิดสเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นอิ๋ลีนั่นนสังกิตดาสเตอริโอซิสต์อิดชุดทีวีเป็นของใหม่เทเลวิชันบห่าละสุดู